โอกาสหลวงพ่กลมเพื่อนสัตว์ธรรมิสท่านเจริญธรรมไม่ชีและญาติธรรมทุกท่า น, น, ยาททาน อ, อย่างที่อาจารย์สมใจบอกแล้วเนาะเดือนสิงหาเป็นเดือนของหลวงพ่อคำเขียนเดือนกันยาเป็นเดือนของหลวงประเทียนเนาะหลวงพ่อคำเขียนท่านเกิดในวันที่สิบสองสิงหาคมนะแล้วก็ละสังขารในวันที่ยี่สิบสามสิงหาคม 2,557 นะแล้วก็เผาสลีละในวันที่6กันยายน 2,557 เนอะส่วหลวงหลวงมะทเทียนท่านาเกิดในวันที่5กันยายน 2,594 2,400 2 4 5 4เนอะ สองพันสี่ร้อยห้าสี่แล้วก็มรณภาพในวันที่สิบสามกันยายนสองพันห้าร้อยสาสิบหนึ่งแล้วก็เผาสุริละในวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสาิบสองเป็นเป็นเดือนของรมเทียนนะเดือนกันยายนนะท่านก็เป็นผู้ที่นะได้รับ สมญานามว่าเป็นปรมาจารย์ในการเจริญสติเนาะเพราะว่าท่านก็เผยแพร่ธรรมในการเจริญสติให้กับสาธุชนให้กับลูกศิษย์ลูกหาอกับประชาชนต่างๆทั่วประเทศนะแล้วก็ทําให้วิธีการเจริญสติโดยการขึ้นไหวก็มีความเจริญก้าวหน้ามีการปฏิบัติถึงกว้างขวางในประเทศไทยเนาะ หลวงพ่อเทียนท่านเกิดที่บ้านบุโ h มอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ริมแม่น้ำโขงตรงข้ามกับประเทศลาวจังหวัดเลยก็ข้ามไปก็เป็นประเทศลาวแล้วเนาะท่านก็มีมีความขยันนะตั้งแต่เด็กเนี่ยท่านก็มีความขยันมากท่านก็เคยบทเนนมาครั้งหนึ่ง ประมาณปีครึ่งนะแล้วก็ตอนอายุย0สิบก็ได้บวชภายครั้งหนึ่งประมาณ6เดือนได้อยู่กับบวชที่เป็นพระที่เป็นน้าของท่านเองเนาะเป็นเป็นครูบาอาจารย์สอนในท่านปฏิบัติกรรมฐานในช่วงนั้นหลังนั้นท่านก็สึกษามาแล้วก็ได้ประกอบอาชีพทำสวนแล้วก็ค้าขายนะด้วยความขยันหมั่นเพียร ท่านมีเรือกระแชงอยู่เจ็ดลำนะในการที่จะไปค้าขายตามที่ต่างๆ ต, นะต่อมาท่านก็ขายเรือกระแชงเจ็ดลำนั้นนะแล้วก็นําไปซื้อเรือกลไกนะเรือกลไกนั่นก็วิ่งล่องไปตามแม่น้ําโขงอค้าขายกับประเทศลาวแล้วก็ทางฝั่งไทยเลาะไปเรื่อยๆจากจังหวัดเลยไปทางหนองคาย ไปค้าขายทางด้านจังหวัดทางหนองคายแล้วข้ามไปลาวเบียงจันท์ท่านก็มีความขยันมากนะแล้วท่านก็รู้แหล่งปลูกฝ้ายท่านก็เป็นพ่อค้ารับซื้อฝ้ายแล้วก็รู้จักแหล่งผลิตต่างๆมากมายท่านบอกว่าตอนเช้าท่านแค่นั่งที่ร้านกาแฟเช้าๆท่านก็ขายได้เงินแสนแล้วเพราะมีคนจากที่อื่นมาติดต่อรับซื้อฝ้ายจากท่าน นะเพียงแค่ไม่กี่นาทีท่านก็ได้เงินเป็นแสน <c oughs> แสดงว่า <c oughs> ท่าน <c oughs> ท่านต้องมีความฉลาดมากนะแล้วก็เก่งมากด้วยเพราะว่าเงินเป็นแสนสมัยก่อนก็เป็นล้านล้านของสมัยนี้แล้วเนาะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเป็นล้านล้านเลยนะ <c oughs> <c oughs> แสดงหนึ่งว่าท่านมีเป็นผู้ที่มีความขยันมีความอดทนมีความสามารถมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาด <c oughs> ท่านก็เป็นเป็นผู้ที่มีผู้ที่เคารพนับถือมาก <c oughs> ท่านจะ <c oughs> เพียงอายุย0กว่าท่านก็จะเป็นหัวหน้าในการาจัดทอดกถินต่งตางๆแล้วนะแล้วก็ท่านได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะถึงนะสามสมัยติ ด, ต, ดติดกันนะต่อมานะท่านก็มีทางฝั่งลาวนะก็มาขอท่านจัดนะกระถินไปทอดทางฝั่งลาวนะท่านก็จัดกระถินถึง5กอง แล้วก็มอบหมายให้ภรรยาของท่านเป็นผู้ดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะเช่นค่าหมอรำเท่าไหร่อค่าหมอศพหรือค่าจ่ายต่างๆก็ให้ภรรยาของท่านดูแลส่วนท่านก็จะรักษาศีลแปดแล้วก็คอยต้อนรับแขกในช่วงที่จัดกองกระถิ่นสมโพธิกองอรถิ่นเหล่านั้นก็มีคนมาร่วมงานกันมากมาย ต่อมาก็ในตอนเช้าภรรยาของท่านก็มาถามว่าค่าหมอลําจะให้เท่าไหร่นะท่านก็มีความโกรธขึ้นมาเพราะว่าเหมือนกับได้สั่งไปแล้วว่าให้จัดการไปแต่ทําไมต้องมาถามท่านในเรื่องแค่นี้นั้นะท่านก็มีความโกรธท่านก็รู้สึกว่าความโกรธก็อยู่ในใจของท่านอยู่เรื่อยๆนะภรรยาท่านก็สังเกตเห็นนะว่ามีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะต่อมาในตอนเย็นนะก็ ก็มีการทักกันในเรื่องพวกนี้พยากระถามว่าท่านโกรธใช่ไหมท่านก็บอกว่าท่านก็มีความโกรธอยู่พยาท่านบอกว่าเนี่ยไปจัดกระถินเนี่ยไม่ได้บุญหรอก <c oughs> เนี่ยโกรธเนี่ยก็ลงนรกแล้วท่านก็รู้สึกว่าเช่นนั้นจริงๆนะนะเพราะว่าท่านยังมีความโกรธอยู่มันก็กลงนรกอย่างที่พยาท่านว่าจากคําที่คําพูดของพยาท่านก็เป็นความสะกิดใจ ว่าจริงๆแล้วการทําบุญเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเหตุต่างๆที่ว่าเป็นความลากความโลภความโกรธความหลงท่านก็เลยตั้งใจว่าหลังจากนี้ต่อไปท่านก็จะตั้งใจในการที่ว่าจะอไปค้นหาสแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นจากความทุกข์พ้นจากความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้เนาะต่อมาท่านก็ค่อยๆจัดการในเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยนะ เรื่องการค้าเรื่องสิ่งต่างที่เป็นภารกิจของท่านก็ทำเรียบร้อยแล้วท่านก็ขอลาภรรยาของท่านไปชั่วคราวนะว่าจะไปปฏิบัติธรรมแต่ก็ท่านก็ตั้งใจแล้วว่าถ้าหากว่าท่านปฏิบัติธรรมแล้วยังไม่คล้ายๆว่ายังไม่อาจที่จะทำให้ความกิเลสต่างๆในใจลดลงก็จะไม่กลับมาเนะี่เป็นความตั้งใจจริงของท่าน แล้ท่านก็เดินทางไปที่จังหวัดหนองคายไปที่วัดลังสีมุกดาลามจังหวัดหนองคายนะตอนนั้นวัดนี้ก็เป็นวัดที่พระจารย์ปานซึ่งเป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงในฝ่ายปัฒนาธุระที่ประเทศลาวเ ป, เป็นเจ้าว่าหรือเป็นเจ้าสำนักที่นี่แต่ว่าในพรรษานั้นก็ท่านก็ไป ทําธุระที่ฝั่งลาวนะไปเผยแพร่ทางฝั่งลาวก็เลยมอบให้หลงพะวันทองเป็นผู้ดูแลแทนท่านกไไ็ได้มาอยู่กับหลวงพะวันทองซ <c oughs> ึ่งในสำานักของหลวงาปานท่านก็สอนการเจรติโดยการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวสิสี่จังหวัด น, นี่แหละแต่ว่ามีคำบริกรรมว่าติงนิ่งนะ ติงก็คือเวลาเคลื่อนเคลื่อนมือก็บริกรรมบัติิงแปลว่าเคลื่อนไหวนะแล้วจังหวะที่หยุดก็บริกรรมมานิ่ง <c oughs> ก็มีคําบริกรรมไปด้วยนะแต่ตอนที่ไปอยู่กับหลวงพ่อวันทองใหม่หลวงพ่อวันทองก็สอนให้เจริญอาณาปาณสติโดยการหายใจเข้าหายใจออกก็ระลึกว่าตายนะหายใจแล้วก็นึกว่าตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตาย จะได้เป็นการเจริญมรณสติเพื่อให้ <c oughs> จิตเกิดความเนบะื่อหน่ายในสังขารจะได้อเข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้ <c oughs> ซึ่งหลวงพ่อเทียนก็เห็นว่าเาวิธีการนั้นก็เป็นการที่ดีแ ต, แต่ก็ทําความให้ใ ห, ให้จิตสงบชั่วคราวเท่านั้นก็ยังอาจจะไม่เกิดปัญญาลู่เห็นตามความเป็นจริง <c oughs> ท่านก็เลยจเจริญสติโดยการเคลื่อนไหวนะแต่ว่าตัดคําบริกรรม คำว่าติง่งคำว่านิ่งทิ้งนะคือไม่ใช่คำว่าคำใบกำติง่งนิ่งแต่เป็นการเคลื่อนไหวให้จิต เ, เกิดการรู้การเข้าใจในการเคลื่อนไหวแทนท่านใช้เวลาภาวนานก็ไม่นานเท่าไหร่นะประมาณ3มวันต่อมาก็ในตอนเช้าประมาณตี5้าก็มีแมงป่องแม่ลูกอ่อนตกลงมาจากาข้างบนตอนนั้นท่านกำลังนั่งสต้กระบะอยู่นะตอนตีห้า ตกมาที่หลังเท้าของท่านนะเราก็มันก็กระจายออกไปนในขณะนั้นท่านก็เห็นสภาวะธรรมบางอย่างแวบขึ้นในใจของท่านอืท่านสามารถเห็นรูปเห็นนามในตรงนั้นนะ <c oughs> อันนี้ก็ในความเข้าใจก็คล้ายๆว่าแมงป่องก็เป็นรูปเป็นนามตัวท่านก็เป็นรูปเป็นนามท่านก็เลยไม่เกิดความหวาดกลัวเราเห็นสภาวะธรรมต่างๆมากมายเห็นรูปโลกนามโลก เห็นอนิจจังทุกขังนักตาเข้าใจพูทธนาตามความเป็นจริงขึ้นมาในขณะนั้นนะท่านก็คล้ายๆว่าจิตได้สัมผัสธรรมในสภาวะนั้นนะหลังนั้นท่านก็มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆนะในช่วงเย็นวันหนึ่งท่านก็เห็นความคิดก็รู้สึกมันก็มีใครมาผักท่านที่ตรงสะเอล ท่านก็รู้ว่าเอออันนี้เป็นความคิดนะเมื่อมีความคิดก็รู้สึกเหมือนกับมีใครมาผักท่านท่านก็สามารถเห็นความคิดต่างๆได้อย่างชัดเจนนะต่อมาพระอาจารย์ปานก็ได้ข้ามาที่วัดหลังสีมุกดารามที่จังหวัดน้องคายมาสอบรมรับไปบัตรทั้งหลายก็มาสอบรมท่านเป็นคนสุดท้ายก็สอบว่า เ, เกลือไหเค็มไหมถ้าบอกว่าเกลือไม่เค็ม ถามว่าทําไมไม่เค็มถ้าบอกว่าเกลือก็ไม่ได้อยู่ในปากของท่านนะท่านก็เลยไม่เค็มนะถามเรื่องพริกเผ็ดไหมท่านก็บอกไม่เผ็ดนะถามทั้งเรื่องน้ําอ้อยหวานไหมท่านก็บอกไม่หวานเนาะเพราะว่าทุกอย่างก็ไม่ได้ขณะนี้ก็ไม่ได้อยู่ในปากของท่านมันไม่ได้ปรากฏนะในขณะนั้นว่าท่านหวานหรือเค็มหรือเผ็ดแต่อย่างใดเนาะเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่ว่าอยู่กับปัจจุบันธรรมจริงๆนะแล้วก็ถามท่านว่าเออถ้า ทางจากที่วัดเนี่ยไปที่หมู่บ้านข้างหน้าเนี่ยมีเสือที่ดูร้ายอยู่ระหว่างทางท่านจะกลัวไหมท่านบอกว่าท่านไม่กลัวนะทํําทาไมไม่กลัวเพราะว่าเสือก็ไม่ได้ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านเดี๋ยวนี้นะแล้วถ้าหากว่าอาจจะต้องเดินไปเนี่ยถ้ามีทางลัดเข้าป่ากับทางตรงที่ไปหมู่บ้านนะแต่เสืออยู่ในหว่างทางตรงท่านจะไปทางไหนท่นบอกท่านก็จะไปทางตรงนาะ เพราะท่านก็ไม่ได้กลัวเสือในตอนนี้นะแต่ว่าถ้าท่านเห็นเสือในถ้าเข้าปานก็จะไม่เห็นเสือแต่ถ้าไปทางตรงก็จะเห็นเสือได้ง่ายแล้วก็จะหลบเสือได้เนาะแต่ท่านก็ไม่ได้กลัวเสือจากการที่ท่านมีการสอบลมเราเนี่ยก็อาจารย์ปานก็เข้าใจว่าท่านก็คงจะได้ธรรมะระดับหนึ่งแล้วนะท่านก็เข้าใจธรรมะต่างๆลาเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็ กลับมาที่บ้านมาสอนภรรยาของท่านแล้วก็ญาติพี่น้องต่างๆก็ภรรยาท่านก็เข้าใจธรรมะนะได้เห็นธรรมในตรงนี้แล้วก็ญาติโยมต่างๆก็เข้าใจธรรมะก็หลายๆคนตอนตอนนั้นท่านอายุสี่มหกเองนะสี่หกปีต่อมาอายุสี่แปดท่านก็ท่านเป็นการเผยแพร่ธรรมะในการบารธรรมนี้ได้ง่ายขึ้น คนได้เชื่อถือท่านก็มาบวชนะบวชตอนอยุ48ี่สิบแปดนะพอหลังบวชแล้วท่านก็มีการเผยแพร่ธรรมะไปในที่ต่างๆนะโดยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติที่จังหวัดเลยนะสำนักชื่อสำนักพุทธญาณนะที่จังหวัดเลยขึ้นมานะตรงนี้ที่ต่อมาหลวงพ่อคำเขียนนั้นก็ไปปฏิบัตนะิกับหลวงพ่อเทียนที่สำนักพุทธญาณ น, นี่แหละที่จังหวัดเลยล้วนะหลวงพ่อคำเขียนก็ได้เห็นธรรมกับ หรือว่าเทียนในที่ตรงนี้เหมือนกันนะต่อมาท่านก็ไปตร้างสำนักขึ้นมาอีกที่อขอนแก่นนะที่วัดโมกนะที่ขอนแก่นขึ้นมานะหลังนั้นท่านก็ค่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวางทั่วประเทศโดยเฉพาะคนกรุงเทพก็ไม่ค่อยรู้จักท่านต่อมาท่านก็ได้รับนิมนต์ไปอยู่ที่วัดโชลประทานที่นนทบุรีนะในปี25งพ้า้สิบปด ในช่วงนี้ท่านก็ได้ไปเผยแพร่ธรรมวิธีการเจริญสติที่นั่นแล้วก็ได้ลูกศิษย์คนสาคัญคือท่านเขมารันทะตอนนั้นท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในวงการปัญญาช น, นคือท่านเขมารันทะนี่แหละเป็นผู้ที่ไปเผยแพร่ธรรมให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นต้น เป็นที่รู้จักของนักศึกษาและปัญญาชนครูบาอาจารย์นักวิชาการมากมายพบตัวท่านเป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นปัญญาชนคนหนึ่งด้วยแล้วก็หลังจากนั้นปี2519หลงพาเทียนก็มาบุกเบิกวัดสนามไร่ซึ่งตอนนั้นเป็นเหมือนเป็นวัดร้างท่านก็บุกเบิกขึ้นมาทําเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหลังนั้นก็จะมีนักศึกษามีปัญญาชน มีผู้ที่มีความรู้ต่างๆในกรุงเทพมามามาพบท่านมาศึกษาทำมาปฏิบัติธรรมกับท่านเป็นจำนวนมากท่านก็เลยได้เผยแพร่ธรรมในตรงนั้นอย่างมากมายเนาะแม้แต่ในต่อมาปี2 5 1พหรสิบแท่า น, นได้รับนิมนต์ไปเผยแพร่ธรรมวิธีนี้ที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็ที่ต่างๆนะตอนนี้ท่านก็มีชื่อเสียงมากมายขึ้นมาแล้ว พอ ไ, นะไปนะไปเสียงตัวอันนี้จำไม่ได้าแน่นด้แน่นอนนะว่าเป็นปีไหนกันแน่นะซึ่งตอนนั้นท่านก็ไปเผยแพร่ธรรมอะไรที่ต่างๆอย่างมากมายนะมีชื่อเสียงโ ด, งดังนะมีผู้มาศึกษามากมายนะอันนี้ก็คือการดำเนินไปของหลวงประเทียนเผยแพร่ธรรมไปเรื่อยๆจนประมาณปี <c oughs> Uh, 2,526 นะท่านก็เป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งแล้วก็เราต่อมาท่านก็เลยมาพักที่วัด uh, ทับมิ่งขวัญ <c oughs> แล้วก็ได้มรภาพในปี 2,531 นะนี่ก็คือประวัติคร่าวๆ ข, าของหลวงเทียนนะที่ท่านได้เผยแพร่รมในที่ต่างๆ จากการที่ท่านนะได้เผยแพร่ธรรมในตรงนั้นนะก็เป็นเหตุให้คนหันมาเจริญสติกันเยอะนะเพราะาในยุคนั้นนะก็เป็นยุคของการเรียกว่าเจริญสมาธิกันเป็นจำนวนมากนะก็จะเป็นการปฏิบัติในแนวสมถะกันนะคนส่วนใหญ่ก็จะนั่งสมาธิกันเป็นหลักนะส่วนนะวิธีการเจริญตินี้ก็เป็นวิธีการใหม่ในประเทศไทยนะนะนะการยกมือสร้างบา ก, ก็เหมือนกับดูแลแตกเนาะ อันนี้เป็นอย่างไรนะเพราะว่าท่านให้รู้ในการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งนะยกมือสร้างจังหวะแต่ละครั้งอเป็นเป็นครั้งครั้งไปเป็นจังหวะจังหวะไปและก็จะเห็นจิตใจตัวเองนะเป็นการยกมือเพื่อให้เห็นจิตใจของเราเองนะมันก็จะเป็นการทวนทวนกระแสอเข้ามาเห็นความคิดนะพอยกมือเป็นจังหวะแล้วอ่ จะเห็นความคิดและความคิดก็จะดับไปก็จะหยุดไปทําให้เห็นต้นตอของความคิดเห็นต้นตอของกิเลสนะที่มันเกิดจากความคิดนั่นเองเป็นการทวนกระแสเข้าไปสู่ต้นตอของความทุกข์ก็คือเห็นความคิดนั้นอย่างชัดเจนแล้วหลังจากที่เห็นความคิดแล้วก็จะเข้าใจถึงสภาวธรรมถึงความปรุงแต่งที่เกิดจากความคิดเห็นความทุกข์ เกิดจาความคิดความปรุงแต่งเกิดจากความคิดนะตรงนี้มันมันเป็นการเห็นสมุทยัยนะพอเห็นเหล่านี้แล้วมันก็จะเข้าใจในความเป็นจริงของการเกิดของความทุกข์แล้วท่านแต่ท่านก็ไม่ได้ไปห้ามความคิดก็คือให้ความคิดเขาทํางานไปอิสระไปไม่ต้องไปบังคับเขาให้หยุดนิ่งนะไม่ต้องไปทําให้เขาสงบแต่อย่างใดแต่ว่าให้เขาทํางานไปตามความเป็นจริง แล้วเราก็สามารถที่จะเห็นความคิดได้จากเมื่อก่อนที่เราไม่เห็นความคิดเราก็จะเห็นความคิดต่างๆเหล่านี้ทําให้จิตของเราเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นมาในในการที่เรียกว่าสัมผัสความเป็นจริงต่างๆได้นะตรงนี้ถ้าใครที่ปฏิบัติ ถ, ถึงตรงนี้ก็จะเข้าใจว่าเมื่อเราเห็นความคิดได้แล้วนะประการแรกเนี่ยความคิดเขาก็จะก็จะเบาลงเขาก็จะหยุ ด, ยดลงนะเราก็จะสามารถทวนกระแสอตรงนี้ไปได้ชัดเจน ถึงความทุกข์ต่างๆที่มันเกิดจากความคิดนี่แหละพอเราเห็นวความทุกข์เห็นความคิดในตรงนี้มันก็จะเบาลงมันก็จะไม่ก้าวหน้าเป็นความปรุงแต่งต่อไปแต่ถ้าใครที่ยังไม่เห็นความคิดอความคิดมันก็จะปรุงแต่งเป็นความสุขเป็นความทุกข์ต่างๆอไปเรื่อยๆนะมันอย่างที่มันตรงนี้มันก็จะเข้าสู่ปฏิจจสมบัตนะิอย่างเช่นว่าเออ ผัสสะนะคือตานีสัมผัสลูกรลือดกลิ่นเสียงผลพระ ธ, ธรรมลมต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดเวทนาคือความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยๆหลังนั้นก็จะเกิดเป็นตันหาคือความทยานอยากในรมต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นพอใจหรือไม่พอใจหลังจากนั้นก็จะเป็นอุทานคือความยึดติดยึดติดในตรงนั้นเป็นของเรานะยึดมั่นถือมั่นเป็นความติดในตรงนั้นนะ อุปทานก็จะเป็นเหตุให้เกิดพบเกิดชาติก็คือเป็นการปรุงแต่งต่างๆตามมานั่นเองเป็นภาวธรรมในใจของเรานะแต่เมื่อถ้าเราเห็นความคิดได้เราก็จะเห็นเวทนาได้เห็นเวทนาความสุขความทุกข์หรือเห็นต้นตอของมันได้เร็วขึ้นมันก็จะไม่ไม่เข้าไปเป็นตัณหาเป็นประทานก็ไม่เกิดเป็นพบเป็นชาติต่อไปนะเพราะนั้นถ้าใครสามารถที่จะเข้าใจ วิธีหลุงมาเทียนในการที่เราว่าเราเคลื่อนไหวสร้างว่าแล้วเนี่ยจิตมันจะไปเห็นความคิดได้ตรงนี้มันก็จะเข้าใจวิธีหลุงมาเทียนได้จริงๆนะท่านจะใ ห, ให้ให้เราเห็นไม่ใช่ให้เราแค่รู้นะก็คือให้เราเห็นเลยเห็นเห็นความคิดนั่นแหละนะไม่ใช่ไปรู้ความคิดเฉยๆแต่เมื่อมันเห็นแล้วมันก็จะวางลงเห็นกระแสที่มันจะเข้าไปทวนไปต้นต่อของความทุกข์ของเราได้ จริงๆแล้วถ้าเร า, าสังเกตดูนะเรานอนหลับเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนะเรานอนหลับเราไม่ทุกข์หรอกนะอาจจะทุกข์บ้างในความฝันนะเราก็บังคับก็ไม่ได้เดี๋ยวก็กฝันไปนู่นฝันไปนี่อันนี้เราบังคับก็ไม่ได้แต่ว่าพอเราตื่นแล้วเนี่ยเราจะมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีนะความทุกข์จากความคิดนี่แหละสิ่งตา่างๆจะเข้ามาปรุงมาแต่งในใจของเรามากมายไม่ว่าจะเรื่องกิจการงานเรื่องภาระส่วนตัว เรื่องความเป็นอยู่นะต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาในใจเรามากมายจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็มีนะหรือว่ามันยังไม่มาถึงก็มีแต่ในขณะนั้นเราก็มีความทุกข์แล้วนะตรงเนี้เราต้องสังเกตได้ว่าเออความทุกข์มันเกิดจากความคิดจริงๆนะถ้าเราสังเกตได้เราก็อวิธีการหลวงมาเทียงก็คือกลับมารู้แทนรู้รู้ที่กายนั่นแหละนะกลับมารู้สึกตัวรู้ในการเคลื่อนไหวก็จะออกจากความคิดในตรงนั้นได้อกลายเป็นเปลี่ยนจากหลงมาเป็นรู้นะ เมื่อรู้มันก็จะอยู่กับปัจจุบันนะการที่อยู่กับเราอยู่ปัจจบันเนี่ยมันไม่มีความทุกข์เพราะการที่มันจิตไหลไปในอดีตหรือนาคตนั้นเป็นความทุกข์แต่ถ้าเราอยู่ปัจจุบันนี่มันก็ไม่ทุกข์นะเพราะปัจจุบันนี่มันเป็นสภาว่างอย่างหนึ่งที่ว่ามันเป็นลักษณะที่ว่ามันในขณะนี้นะเรารู้ในฐานกายเป็นต้นนะเราออกจากความคิดได้มันก็ไม่ทุกข์แล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะครูบาอาจารย์แม้แต่หลวงพ่อเทียนเองท่านเราดูคําสอนของท่านให้ลึกๆไป ถ้าบอกว่าไม่ติดในปัจจุบันนะปัจจุบันก็อย่าไปติดหรือเมื่อไม่รามนี่ก็ไปเยี่ยมอาจารย์กรรพลทองบุญรุ่มที่เขาใหญ่ถ้าก็บอกว่าอย่าไปติดปัจจุบันนะเพราะเราไปติดปัจจุบันมันก็มันก็กลายเป็นตบทอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความยึดติดในตุดมันก็จะกลายเป็นพลาลในใจของเราว่าต้องอยู่กับปัจจุบันไปแต่ปัจจุบันนี้เป็นลักษณะที่ว่าเราแค่รู้แล้วเราก็ไม่ติดเป็นการผ่าน เป็นการผ่านปัจจุบันอดีตและอนาคตนะมันจะในถ้าเราเข้าใจทำในตรงนี้มันจะเป็นการผ่านทั้งหมดนะเราไม่ได้ไปห้ามห้ามความคิดก็ไม่ได้นะเข้ามาแล้วก็ผ่านไปห้ามความทุกข์ก็ไม่ได้เข้ามาแล้วก็ผ่านไปนะความสุขความทุกข์มันเป็นลักษณะของการผ่านมากกว่าเราไม่ได้ไปห้ามเขาแต่เราเป็นผู้เห็นอ่าเป็นผู้รู้ความจริงนะเพราะนั้นถ้าใครอ่าสามารถที่จะมีความรู้สึกตัวได้มันก็อยู่ปัจจุบันแล้วแล้วเราก็ เมื่อเมื่ออยู่กับปัจจุบันเป็นขนาดขนาดน ะ, ะยกมือสร้างแบบเป็นขณะหรือเดินจงกรมหรือทําอะไรก็แล้วแต่มันเป็นลักษณะของว่าอยู่แต่ละขณะโดยที่เราว่าอยู่ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซนะไม่ให้อยู่แบบแหลกเส้นนะไม่ได้รู้ยาวๆนะรู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วทิ้งลงว่ากําเขียวว่ารู้สั้นๆนะเป็นลักษณะการรู้แล้วก็ทิ้ ง, นะ แ, ลงแล้วก็ป่อยงไม่ได้ไปยึดติดในตรงนั้นถ้าไปยึดติดนั่นแหละมันจะกลายเป็น ไปยึดกับปัจจุบันอไปติดกับปัจจุบันคือทําให้มันยาวๆไปนะแเราเป็นการไปเพ่งไปจ้องเขาซึ่งจะเป็นนะทําเรามีความทุกขในการกระทรมมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเราจะรู้ว่ามันมันก็ไม่ <c oughs> มันเป็นลักษณะการการผ่านมากกว่านะอเคลื่อนไหวก็ผ่านเดินก็ผ่านความคิดก็ผ่านเพราะในเมื่อมันผ่านนี้ความสุขความทุกข์มันก็ผ่านเราก็ไม่ยึดติดกับอะไรเราเห็นสภาวะที่มันไม่เที่ยงนะที่ว่าเรา บังคับบัญชาก็ไม่ได้นะเขาจึงไม่เที่ยงเช่นนั้นเองนะอันนี้เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เราก็เห็นได้จริงๆริงการปฏธรรมมันแสดงความไม่เที่ยงเราเห็นแล้วบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีใช่ไหมอารมณ์ต่างๆก็ขึ้นขึ้นลงทั้งวันเนาะเป็นความทุกข์ที่ว่าเราก็ทนในสภาวะเดิมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสภาวะที่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะเขาเรียกว่ามันทนในภาวะเดิมไม่ได้ทุกอย่างที่มันทนไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงทั้งหมด นะตรงนี้ให้ใจเรายอมรัใบ том, ในความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นใจก็จะไม่ทุกข์นะแต่ถ้าใจไม่ยอมรับในตรงนี้มันก็จะมีความทุกข์ใจที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมันจะมีความทุกข์แต่พอใจเรายอมรับทุกขังคืออาการที่มันทนในภาวะเดิมไม่ได้นะทุกอย่างมันทนไม่ได้ทั้งหมดจริงๆนั่นแหละใจเราก็จะไม่ทุกข์นะเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปมันไม่ตัวไม่ตน มันก็จะกลับมาเห็นถึงสภาวะที่มันเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ัเขาจึงเป็นทุกข์เขาจึงไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ตัวไม่ตนของเรานะมันก็จะย้อนกลับมาตรงนี้มันก็จะเห็นว่ามันเป็นแค่รูปแค่นามเท่านั้นเองนะไม่ตัวไม่ตนกายกายมันก็เป็นรูปเท่านั้นเองใจความนึกคิดมันก็เป็นนามเท่านั้นเองมันไปเอาตัวเอาตนในตรงนั้นไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็อาการปฏิบัติทั้งหมดมันก็จะทวนกระแสเข้ามาว่า มันไม่ได้เป็นการไปบาิเพื่อการละตัวละตนนะแต่ว่ามันเป็นแค่การถอดถอนความค่อยจิตผิดในความเป็นตัวตนเท่านั้นเองนะเพราะเราถ้าเราไปละเขาก็แสดงว่าเขามีอยู่แล้วเราค่อยไปละเขาแต่การถอดถอนหมายความว่าเราไปเข้าใจว่าเขาเป็นของเรากายและใจแผงเราเราจึงมีความทุกข์นั่นเองใครมาด่าเราเออเขามาดาเราเราก็มีความทุกข์นะกลาว่าเรารู้ว่าเออเขาด่าก็ด่ารูปดาน้านะไม่ด่าเรา มันก็ไม่ทุกข์นะหรือเพราะว่ามันไม่ใช่เราแล้วต้นแล้วมันเป็นแค่รูปแค่นามที่สมมุติขึ้นมาทอง น, นั้นเอง <c oughs> แต่เราไปยึดนะไปยึดว่าเป็นของเรานเราก็เลยมีความทุกข์เนื่ยงจเราทวงกระแสมาได้ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเกิด จ, จะปล่อยจะวางอความยึดมั่นถือมั่นในกายและใจของเราะ <c oughs> การที่เราปล่อยเราวางเนี่นแหละมันมันเป็นเหตุอให้เราออกจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงะเพราะเมื่อไรที่ยังมีตัวเราอยู่นะมีตัวกูของกู มันก็จะมีลูกกูภรรยากูสามีกูอทรัพย์ ส, สมบัติของกูนะชื่อเสียงเกียรติยศทุกอย่างเป็นของข้าพเจ้าทั้งหมดนะแต่เมื่อมันละตัวเราได้แล้วมันก็ไม่มีตัวเราอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างนะลูกสามีภรรยาทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศมันก็ไม่มีไปด้วยนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็ไม่กระทบเรามันก็เป็นแค่ผ่านนะเออใครมาดินทาก็ผ่านไปใครมาเก่าร้ายก็ผ่านไปใครมาใส่ความก็ผ่านไปนั่นแหละมันใจมันจะไม่สบายนะ ใครมานินทาเราเราก็ไม้องไปหาเออนินทาทาไมทําไมต้องมานินทาเราต้องไปคอยแก้เขานั่นเราเรามีความทุกข์แล้วเนินทาก็นินทาไปแต่ว่าไม่ใช่เนินทาข้าพเจ้านะเป็นการเนินทารูปน้ำตรง น, นั้นเองซึ่งรูปน้ํานี่ก็ไม่รู้จักมาก่อนเป็นใครก็ไม่รู้นะเป็นใครก็ไม่รู้นะมันไม่ใช่ตัวไม่ตนเราแล้วนะแต่เมื่อไรที่เรายึดเป็นเรามันก็มีความทุกข์นะตรงนี้มันเป็นการออกจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะ เพราะนี้ก็คือวิธีการหลมอเทียมมันก็เป็นหนทางหนึ่งถ้าเราปฏิบัติได้ถูกทางเราก็จะมาสังเกตใจเห็นใจเห็นความคิดต่างๆได้ชัดเจนเราจะไปเห็นอันนี้จังลุกขาตาเราเห็นรูปเห็นนามแล้วก็เกิดการปล่อยการวางการยึดติดเราตรงนี้ก็เป็นหนทางความพุญหรทุกข์ได้เพราะในโอกาสวันนี้เป็นวันที่11อ็ดกันยายนซึ่งอีก2วันก็คือวันที่13กันยายนซึ่งจะเป็นการระลึกถึงวันละสังขารหลวงอเทียม น, นะกะ็พวกเราก็ตั้ง อ, อกตั้งใจกันนะในการที่ว่า ระลึกถึงหลวงพ่เทียนว่าท่านเป็นปรมาจารย์ที่ให้พวกเรามารวมกันถ้าไม่มีหลวงพ่เทียนก็คงไม่มีหลวงพ่อคำเขียนนะถ้าไม่มีหลวงพ่อคำเขียนก็พวกเราก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เนาะเพราะฉนั้นก็ตั้งใจระลึกปฏิบัติธรรมหรือทําความดีอุทิศให้กับหลวงพ่เทียนตรงนี้นะเป็นการที่เรียกว่าเราระลึกถึงครูบาอาจารย์เป็นอาจารยิยบูชาเนาะในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระรนาตาไต คนท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพุทกได้เดียวพันทุท่านเถร